ไปดูตู้เย็นเหรอวันฟังไม่ถนัดมันมันตู้เย็นแบบไหนนะตู้เย็นที่แบบ่ที่มีอยู่อาคารเหรอตู้หนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นสองพันเก้ารโอ้สอง ห, งหง ม, มืนสองันเก้ร้อยมูนานะได้เงินมาได้รางวัลเออเหมือนกับ ที่จริงเหมือนกับค่านหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามทรรเนียมได้มาแต่ก่อนก็ไม่เงินก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมเสร็จแล้วเราเราทำความดีตรงนี้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือขาขายของนี้ได้เงินก็เลยเป็นของเราแต่ก่อนไม่ใช่ของเรานะเออพอได้มาแล้วเราก็เลยอยากจะให้เงินนั้นน่ะมีประโยชน์มากๆ เดี๋ยวว่าถ้าไปกินเอาไปซื้อกินเอาไปเก็บไว้มันก็เป็นประโยชน์แท่เราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อขนมนมเนยกินแล้วก็อิ่มท้องของเราแต่ทีนี้เอามาบริจาคตู้เย็ยนเอาไว้ในครัวโอ้โหทีนี้ใครมาก็ต้องได้รับประโยชน์จากตู้เย็ยนนี้เป็นยังไงประโยชน์เยอะไหมประโยชน์เยอะไหมใครมาวัดนี้ ต้องรับประทานอาหารใช่ไหมบุญก็ต้องเกิดเมื่อบุญเกิดที่เราทาเนี่ยเมื่อคนมาปฏิบัติธรรมหรือมาทำบุญแล้วก็มารับประทานอาหารก็มีส่วนในการที่ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากตุเย็นหรือผลบุญที่เราทำอันเนี้ยบุญเรามันก็เกิดมันก็มี มีผลมากมีอาณิสง์มากนี่ดับคนฉลาดนะเงินก็ไม่ใช่ของเราด้วยเราก็ได้มามาแล้วด่วยจิตใจที่เป็นบุญเนี่ยมันกว้างขวางไม่คับแคบก็มองเห็นประโยชน์ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเห็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ทนรศศาสนาเนี่ยทำด้วยปัญญาเลยนะแล้วก็ต้องเลือกสรร้วยนะที่ไหนปฏิบัติทำไหม อ, อกตั้งใจกันจริงไหมหรือว่าปฏิบัติธรรมแต่มีชื่อตั้งป้ายไว้สำนักปฏิบัติธรรมพอเข้าไปแล้วโอ้ตัวตนของแต่ละคนไม่เบาเลยแทนที่แทนที่จะปฏิบัติเพื่อละตัวละตนไปเพิ่มตัวตนก็ได้ก็เลยเหมือนกับปฏิบัติธรรมแต่ชื่อแต่ข้างนอก แต่ว่าข้างในเนื้อในเนื้อหาสาระจริงๆไม่เป็นการปฏิบัติธรรมไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาไม่ตรงตามหลักธรรมคำสอนของเราพุทธจักรการทำความดีทำบุญสุนทานก็เป็นฝ่ายศีลนะเป็นฝ่ายศีลานิสงของกุศลศีลนี่ พอดีมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งพูดถึงระบบของการปฏิบัติธรรมเอาไว้คือคือคือระบบของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีมันมีหลายพระสูตรเพราะว่าพ ร, พระพุทธเจ้าแสดงตามอัทยาศัยอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่เริ่นต้นเดี ศีลนี่ก็อาจจะทำความดีนี่ก็เป็นศีล น, นะทำหน้าที่ของตัวเองถูกต้องก็เป็นศีลการเกี่ยวข้องการถูกต้องเป็นศีลการส้ำรวมระวังเป็นศีลเพราะเป้าหมายของการทำความดีการที่เรามีศีลเราทำอะไรถูกต้องเนี่ยมันก็เพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทานคิดของเราละเจตนาที่ไม่ดีได้ ตรงนี้ที่เป็นสิ่งจริงๆไม่ใช่เจตนางดเว้นนะละเจตนาที่ไม่ดีเพราะนั้นมันต้องมีสติจดจ้องดูจิตของตัวเองเห็นอาการที่จิตของเราเนี่ยมันมีความคิดขึ้นมาในทางที่ไม่ดีที่เจตนามันก็ออกมาในรูปของความคิดนั่นแหละนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาจะทำอันนี้เพื่ออะไร มันวับขึ้นมาอาจจะไม่เห็นนะถ้าหากว่าไม่ได้มีสติสัมปชัญญะจริงๆไม่เห็นไม่ทันมันแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะสํารวมก็เริ่มต้นด้วยเนี่ยต้องสํารวมระวังทำความดีอะไรอย่างเงี้ยจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่ า, น ไ, านไม่ซัดสายไม่มันไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะมาดึงจิตเราออกไปข้างนอก จิตเรามันก็มีความสำรวมระวังเข้ามาสติสัมปชัญญะมันก็รักษาจิตเอาไว้ได้ทีนี้พอรักษาจิตได้เนี่ยถ้าเวลาเวลามันมีความรู้สึกนิทิดขึ้นมาสติมันจะทั น, นะมันรู้ทนนะันรู้ทันแล้วมันก็จะมีความถ้ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมีความละอายเกิดขึ้นอ่ะมันมีนะ รับรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่ควรทำดูดูสิมันมีมันความละเอียดอ่อนกว่าภายในจิตของเราเนี่ยจริงๆถ้าไปทำมันก็จะรู้สึกว่าลาเจใจแล้วก็จะยับยั้งไม่ทำเพราะตัดสินใจไม่ทำนี่คือละเจตนาที่ไม่ดีละเป็นสิ่แต่เวลาเวลาที่เ้าสอนกันเน่ะเจตนางดเว้น โอ้โหเหมือนกับว่าตั้งหลักเอาไว้เลยว่าจะไม่ทำแต่เวลาเวลามันมันมันมันไม่ทันอ่ะมันก็ลงมือทำเผอไปทำแต่อันนี้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ถ้าวอนโผล่มาว่ายับยั้งไว้ได้เนี่ยศีลจริงเป็นบาดฐานของสมาธิ จิตของเราก็จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีอะไรบรบกวนจิตใจแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิเป็นสมาธิต้องเป็นสมาธิแล้วทีนี้สิ่งที่มันมาครอบงำจิตไม่มีถ้ามีอารมณ์ครอบงำจิตเนี่ยมันจะดึงจิตไปวนเวียนอยู่ในจิตของเราละมันไม่ได้ล้างมันไม่ออก นานเข้ามันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็จะหลงทำตามมันจรงกลายเป็นเห็นดีเห็นงามไปกับมันจริงจริ ง, รงทีแรกมันเป็นแค่ความคิดตอนหลังเป็นจริงเป็นจังบางทีทำไปแล้วมันมารู้ทีหลังอุ้ยมันไม่ใช่เลยอ่ะคนละเรื่องเนี่ยแต่เราก็ไปจมอยู่กับมันเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเราสติสัมปชัญญะเราก็อ่อนด้วย สมาธิเราอ่อนด้วยก็ไม่รู้เท่าทันสังขารก็ไปลงสังขารไปเชื่อสังขารแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานี่คือมันไม่มีสมาธิสมาธิมันอ่อนสมาธิไม่มีกาลังอันนี้พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่ามมัติยะสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีล นะพูดเรงหมวดว่าโดยอานิสงส์ของศีลผลของศีลมีมาในอังคุตรนิการทสกามิบาทอนนานิพานุนทุนถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพ้นแห่งศีลนะแล้วก็ถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่มุตตหลุดพ้เนเห็นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป้าหมายเนี่ยคือความหลุดพ้นพูดเริ่มต้นได้ศีลก็ตามเริ่มต้นได้ทานก็ตาม ก็ไปลงด้วยความหลุดพ้นหรืออย่างเดี๋ยวนี้ที่มากันส่วนใหญ่ก็มีทุกมีปัญหารอบๆโดยเฉพาะประเทศไทยเราก็มีปัญหากันผู้ฝ่ายบริหารนักการเมืองฝ่ายปกครองข้าราชการอะไรก็เริ่มมีปัญหากันมากขึ้นก็จะเอามาถาม เห็นยังไงจะแก้ยังไงเนี่ยพอมันกระทบกระเทือนไปหมดก็เลยบอกว่าเออข็แก้ไปเพราะว่ามันอันนี้ปัญหานี่มันเป็นเรื่องของโลกแนละ้วมันเป็นวิวัฒนาการของโลกยุคไหนที่ที่ลุงเรืองเจริญอายุคนก็ยาวเลยนะเป็นหมื่นหมืนปีเลยนะแปดหมื่นปี อย่างใหญพักัสปัตสมมาทิเจ้านี่ยมีรู้กี่หมื่นปีนีจำไม่ทยแล้วเป็นหมื่นเนี่ยแบอย่างนั้นก็อกุศลมันก็จะเข้ามาในจิตความเจริญก็ลดลงอายุก็สั้นลงสั้นลงนี้ยอวยศาสนาก็เสื่อมลงไปด้วยสินธรรมเสื่อมลงไปคนก็มี เริ่มีมอกุศลมากขึ้นมีความเห็นแต่ตัวมากขึ้นจนอายุก็น้อยลงไปเลยนะน้อยลงไปน้อมไปจนอายุยุบหนึ่งคนคล้ายๆแตดสับแล้วอกุศลนีพมีงกำลังมากก็ฆ่ากันเองคิดจะฆ่าใคร่แค่จับหญ้าหรือกิ่งไม้ขึ้มาแทงไปนี่เป็นอาวุธเลยนะดูสิอำนาจของอากุศลเนี่ยอำนาจของกิจที่เป็นอากุศล รุนแรงขนาดนั้นเลยของดีๆสิ่งดีๆอำนาจของจิตฝ่ายดีหายหมดอากุศลครอบงำหมดเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆก็เริ่มหายไปหายไปบอกเอาแก้ไปแก้ไปแล้วก็ปัญหาใหม่ก็ต้องตามมาเพาะมันอยู่คู่โลกแล้วก็ต้องแก้กันไปอยู่นี้แหละปัญหาของโลกแล้วก็แก้แบบโลกแล้วปัญหาก็เพิ่มขึ้นแบบโลก แต่ถ้าหาว่าอยากรอดอยากพ้นไปจากปัญหาเหล่านั้นก็ต้องเดินตามทางของพระพุทธเจ้าไม่ตามกระแสะโลกต้องหันเข้ามาหากระแสะของธรรมมีทางน้ทางเดียวเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าพาดาเนินมาอย่างนี้เราตอบอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เป็นอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะ หลุดพ้นไปจากปัญหาจากความทุกข์ก็ต้องเดินตามทางของพระพุทธเจ้าหรืออย่างน้อยเอาความทุกข์ลดลงไปน้อยลงไปหาทางออกให้ก่ชีพให้แก่จิต ใ, ใจของตัวเองทีนี้เมื่อเราเดินตามทางของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ก็ลองฟังคำพูดของพระเจ้าโดยตรงเลยนะจะอ่านให้ฟังเลย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 ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าอนุนศีลที่เป็นกุศลมีอาวิปปิสานวงเล็บเปิดความไม่ร้อนใจ เป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอาใิสองอวิปปิสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอาใิสงพระพุทธเจ้าข้าคำว่าอาวิปปิสารคือความไม่ร้อนใจไม่เดือดร้อนใจทำไปแล้วสบายอย่างเราทําความดีอย่างนี้ทำแล้วสบายใจแต่ถ้าลองทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะเดือดร้อนใจ มันจุกจิตขึ้นที่ใจมันตรงแต่งมันนึกขึ้นมาอยู่เลยวนเวียนอยู่ในจิตใจเนี่ยมันนำความเดือดร้อนใจมาให้จะให้จิตอยู่กับที่เป็นสมาธิมันไม่อยู่เพราะเพราะมันมันมันมีเรื่องมันมีเรื่องให้คิดให้นึกให้ซุ้งให้แต่มันรุ่มร้อนมันเดือดร้อนมันว้าวุ่นนวุ่นวายมันยุ่งเหยิง มันเอามามันเอามาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นความสำรวมระวังมันจีเป็นศีลระมัดระวังมันก็ไปจากความคิดของเราจากความรู้สึกของเรานี่ละปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เชื่อตามมันคอยตามมันแล้วทาตามมันเนี่ยเรายับยั้งมันไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้แต่ไม่รู้ตัวช่วงที่มันเป็นเนี่ยมันเหมือนมีความสำคัญมันเหมือนกับดีมันเหมือนกับ ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่ได้ ม, ไ ม, ไดมันวนเวียนอยู่ในจิตแต่ถ้าดูเข้าไปจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความคิดของเราเองความเห็นของเราเองสังขารของเราเองแต่พระเจ้าก็บอกว่า น, นี้มันเกิดดับน ะ, ะแต่ว่าเราไปเชื่อมันแล้วมันก็ไม่ดับนะทีเพราะเรามาผุงมาแต่งอยู่ในจิตของเราแต่ความเป็นจริงอะ่ะถ้าเราเห็นมันมีสติัำปัสัญญายเห็นมันเกิดแล้วก็ดับ ไม่ต้องไปคอยตามมันวนเวียนปุงแต่งไปกับมันนี่อันนี้ไหลไปกับมันแล้วมันก็เพิ่มกำลังขึ้นมาเพราะนั้นต้องพยายามมีสติมีถ้ า, าว่าควบคุมจิตได้สังขารพวกนี้ดับไปขาดไปจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาค่อยๆเป็นหนึ่งขึ้นมา อานศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารความไม่ร้อนใจเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์เป็นทั้งผลเป็นทั้งอานิสงส์อวิปปิสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ระพุทธเจ้าค้าคราวนี้อวิปปิสารความไม่ร้อนใจเนี่ยเมื่อมันไม่ร้อนใจแล้วมีอะไรเป็นผลศีลเนี่ยมันทำให้เกิดอวิปปิสารคือความไม่ร้อนใจสบายใจ วิปัสสานี่มีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสง พ, พุทธเจ้าข้าอา น, นุนวิปฏิสานมีปลาโมดความบันเทิงใจเป็นผลมีปลาโมดเป็นอนิสงความไม่ร้อนใจเนี่ยมันจะมีปลาโมดลื่นเลิ่งบันเทิงความบันเทิงใจเป็นผลแล้วก็มีความบันเทิงใจเป็นอนิสง ปลาโมดมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าข้าอานณุนปลาโมดมีปิติความอิ่มใจเป็นผลมีปิติเป็นอนิสงค์ปิติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงค์พระพุทธเจ้าข้าอิ่มใจปิติมีความอิม่มใจเอามปถึงความอิ่มข้าวก็แล้วกันเราทานข้าวแล้วมันอิ่มอ่ะ นี่อิ่มกายทีนี้อิ่มใจออใจมันอิ่มเอิบมันเต็มอิ่มมันอิ่มในความรู้สึกอิ่มเพราะว่าม็นก็มีอา น, นิสงส์มาจากการกระทำดีจำถูกต้องมีศีลกุศลศีลฝ่ายดีมีการสำรวนระวัง เราก็มีความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจก็ทําให้เกิดความบันเทิงบันเทิงใจเมือเมื่อมีความบันเทิงใจก็มีความอิ่มเอิบอิ่อิบใจอิ่มอิบใจอิ่ ม, ม, ม, มใ จ, มใ จ, มใจเป็นอานิสงส์ปิติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจา้าค่า อนนปีติมีปัสสติความสงบกายสงบใจเป็นผลมีปัสสติเป็นอนิสงค์เขานี้การที่มันมีความเบิกบานมันมีความบันเทิงมีความอิ่มเ อ, อิบอยู่ในจิตใจมันก็ทำให้สงบกายสงบใจกายก็สงบด้ดยนใจก็สงบไม่มีอะไรมาปุงแต่งจิตแล้วทิ้เนีย ยิ่งมองดูจิตข อ, องเองนี่ไม่มีเรื่องอะไรเลยนิ่งเงียบที่เฉยๆเป็นหนึ่งอยู่ปะสะัสสกีมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าข้าอาโน์ปะสะัสสกีมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสงส์มีสุขนะกายกายพอไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตล้วเหมือนกับจิตว่างๆจิตนิ่ง แล้วก็มีความสุขมีความสุขด้วยสุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์คราวนี้จิตก็เริ่มเป็นหนึ่งแน่วแน่ขึ้นมาเพราะนั้นครั้งใดก็ตามหรือว่าเราได้ทํานึกถึงความดีของเราขึ้นมา เราได้ทำประโยชน์แต่พระศาสนาโดยเฉพาะศาสนาเนี่ยมันมันบุญมากมันยิ่งใหญ่เพราะมันกว้างขวางมันมีประโยชน์ต่อต่อจิตใจของประชาชนหรือของผู้ที่ปฏิบัติธรรมถา้าเราช่วยกันดูแลทำให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมั น, ม, นมันสะดวก มันมีเป็นที่สปายะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยปัดกวาดเจ็ดถูตรงนั้นตรงนี้ดูแลต้นหญ้าขึ้นมาช่วยกันถอนช่วยกันดูแลกวาดใบม้งใบไม้ทั้งนั้นแหละนิดหนึ่งก็มีอานิสงส์มากเพราะว่ามันเป็นมันมีประโยชน์มากทำข้าวปลาอาหาร ทำไปทาด้วยจิตใจที่มันเบิกบานเพราะว่าเรารู้ผลของมันรู้อานิสงส์ของมันช่วยกันบริจาคมีเงินตามกำลังของเราไม่ได้ไปว่าต้องมากมายก่อนทำตามความเหมาะสมทำความพอดีทำแล้วมันสบายใจทำแล้วมัน เนีย่ยมันเบิกบันเทิงมันเบิกบานมันอิ่มเอิบเนี้ยแหละเกิดความเป็นความสงบเป็นสมาธิเนี่ยถ้ามันถูกต้องอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปนึกทีหลังทําทมากไปนนเนี่ยเสียดายมันทำให้เราเนี่ยไม่มีเงินเอามาซื้อนั่นซื้อนี่ไ่ได้ต้องเอาให้มันพอดีพองามตามฐานะของตัวเองถ้าน้อยไปก็ น้อนไปอเราก็พอมีอยู่เหลือเพือนนนะคํนวณดูแล้วก็ถ้าเราอยู่ไปจนตายอ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วก็แบ่งเอามาทำประโยชน์กับส่วนรวมประโยชน์หากศาสนาก็จะดีกว่าถ้าวันพอดีไม่กินเออทำแล้วเออพอดีแล้ะ ก็เราก็เผื่อที่อื่นบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างมันก็จะมีเหตุผลของเขาของเขาของมันมันก็พอดีของเราแหละเราก็สบายใจแต่วต่อไปเราทำอพอดีแล้วก็ถามว่ามันมีความจำเป็นมามีเหตุผลเพียงพอเราก็ทำใหม่ได้เดีย๋ยมันก็จะมีทางออกให้แก จิตไม่ไปไม่ไปเอามาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวให้มันกุ้มลุงจิตใจมันก็วางสบายสบายสติสัมปชัญญะเราควบคุมจิตได้จิตก็เป็นสมาธิเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยจิตมันสบายสติควบคุมจิตพักใจคนสบายมันมันมันจิต ม, มันอยู่กับตัวนะ สติเราควบคุมจิถ้ามันไม่สบายมันเดือดร้อนเยโอ้ยวุ่นไปเดี๋ยวเรื่องเก่าแล้วยแหะวนไปเรียนมาอยู่อยากละก็ละไม่ได้อยากทิ้งก็ทิ้งไม่ได้จิตมันวางไม่เต็นวางไม่ลงแต่ถ้าคนที่าปฏิบัติธรรมชํานาญแล้วเข้าสมาธิได้ก็พอเข้าสมาธิเสร บางทีอารนี้ก็ดับถ้าเข้าสมาธิได้ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้แต่ถ้าคนที่เคยมีปัญญาจเจริญวิปนะัสนาเนี่ยก็พิจารณาเนี้ยในความคิดเหล่านี้เห็นมันเป็นสังขารเห็นมันเป็นของเกิดดับเห็นไม่ใช่อของเราเอามาเป็นเอามาเป็นฐานของสติเราสติ ด, ดูมันดูจิตไปมันก็ดับไปได้เองบางทีไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องไปคิดยิ่งคิดยิ่งไปใหญ่เลย ใช้กำลังของสติเพ่งเล็งดูจ่อดูพอเราพอสติเข้าไปดูอย่างนี้แสดงว่าเราเริ่มเริ่มสังเกตละเริ่มเราเริ่มเป็นผู้ดูละเนี่ยเราเป็นผู้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาละเหมือนกับเราไม่ไปร่วมคิดละเรากําลังที่จะพยายามที่จะดูดูให้สติเข้าไป ล, ลึกลึกรู้เข้าไปดูอยู่ทีนี้พอดูไปเนี่ยให้สติมันก็จะ ทำให้จิตเนี่ยมันมันมันเริ่มถอยออกมาจากอารมณ์เนี้ยทีละเล็กทีละน้อยไอ้จิตที่ไปยึดไปจมอยู่กับเรื่องราวนั้นอ่ะมันมันเหมือนกับมันค่อยคยค่อยค่อยถอยออกมาเองพอได้จังหวะมันก็พับกลับมาอยู่กับจิตเนี่ยคือวางอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นดับไปเองเลยไม่ได้ไปทําอะไรมันมีสติดูเฉยๆบางทีถ้าไปคิดเนี่ยบางทีมันก็ยิ่งปุงยิ่งแขงไม่ต้องคิดมัน ดูเฉยๆมันก็เป็นอยู่ในสติประฐานทั้งสี่อันนี้ก็จเจริญสติสัพชัญญานี้ก็ทาให้เป็นสมาธิได้ ไปสมาธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงค์พระพุทธเจา้าข้าอ น, นุ์สมาธิมียถาภูตะยานทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเป็นผลมียถาภูตะยานทัศนะเป็นอานิสงค์อนนี้คือต้องมีสมาธิจิตต้องตั้างใหม่ไม่มีอะไรรบกวนจิตใจไม่มีอะไรครอบงำจิตใจ เมื่อใจจิ่มันตื่นอยู่ข้างในอะ่ะทีนี้อะไรเกิดขึ้นมันจะเห็นเห็นด้วยจิตลคือเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแหละนี่แหละเรียกว่าพิจารณาของพิจารณานี่มันต้องมีสมาธิแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าพิจารณาขณะนั้นจะมีคำพูดเกิดขึ้นด้วยก็ได้โอ้เกิดระดับนั้นในใจของเราเนาะ หรือมันรู้ขึ้นมาเองเลยไม่ต้องพูดปับ๊บเนี่ยคือคือถ้าจะสื่อสารกันก็คือเห็นมันเกิดดับนะแต่ถ้าไม่ไม่ไม่สื่อสารก็คือไม่ไม่มีคำพูดก็จิตมันเห็นเองว่ามันเกิดดับเฉพาะคนนั้นเห็นคือวสัสดุที่กิโกอากาลิโกเอฮิปัสิโกะใครอยากเห็นก็ต้องมาปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติตั้งเวทิตโพวิโยห์เนี่ยผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน อันนี้หมายว่ารู้ย่อยๆไปก่อนเห็นย่อยๆไปก่อนถึงทั้งถึงมรรคผลก็จะพูดแบบเดียวกันนี้เป็นสันติจิกโกเหมือนกันคือเห็นความจริงเห็นของจริงเลยไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่วาดภาพเอาถึงถ้าเราเห็นในจิตของเรามันก็จะเข้าใจทีมั แต่ถ้ากำลังมันไม่พอมนไม่เห็นนแต่การที่เรามีสติแล้วก็ควบคุมจิตพอจิตเริ่มเป็นสมาธิระดับหนึ่งทีนี้เราใช้หลักโยโกูิใโซมาชิกาสอนจิตแล้วจิตมันถึงจะเป็นสมาธิลงไปอันนี้เป็นปัญญาที่ใช้อบรมจิตเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตเป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นไม่ใช่เป็นปัญญาพิจารณาที่เห็นตามความเป็นจริง พินาความตายพิน า, าสุภะพินาเป็นปฏิกูลพินาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพินาอนัตตาอนัตตาสัญญาอนิจจสัญญาสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเราเอามาอบรมจิตเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นสมาธิ ต้องเจริญสมาธิจนมีกำลังขึ้นมาแล้วเขานี้เห็นใหม่แล้วนะที่นี่งจิตเห็นเลยรู้สึกขึ้นในจิตปุ๊บอะไรผ่านมาก็เกิดดับไปตัวสมาธินี้จึงมีความจําเป็นมากถ้ามีสติรู้อยู่อันนี้แสดงว่าไม่ได้ติดรู้อยู่แต่กำลังยังไม่พอก็ยังไม่เห็น ยัไม่แจ้งยังไม่ชัดต้องเจริญปฏิบัติไปเรื่อยจนกำลังเพียงพอมันจะเห็นถึกเห็นก็จะค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, น, นอ๋อสุนทักน์ยยึดรับประจําได้เด่นเห็นตืต่นมั้ยเนี่ยนุ่ๆเดินนุ่น네น ง, น ง, น ง, นงกระบปไปกระโมาแล้ว พอออกมาเบิ่งเราเป็นผู้ดูมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรามันมีอาการยังไงหน้าตาเป็นยังไงน้าเมือนคนที่ถอยออกมาแล้วมายืนดูอยู่ข้างนอกไม่ไปจมอยู่กับมัน คนอื่นก็เหมือนกันถ้าว่ารู้สึกว่ามันจะจมเออมั น, ม, น, ม, นมันต้องถอยออกมาดูเหมือนกับจ้องดูเกิดจอดูอา น, นุนสมาธิมียถาภูตายานทัศนะ ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเป็นผลมียถาภูตะยานทัศนัเป็นอานิสงส์ยถาภูตะยานทศนั้ น, น, น, นมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าข้าอานนท์ยถาภูตะยานทศนั้นมีนิพพิธาความเบือ่อหน่ายและวิราคะความคลายกำหนัดเป็นผลมีนิพพิทาและวิราคะเป็นอานิสงส์ นี้ถ้าหาว่าจิตมันเห็นเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ของเราเฮ้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดำไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันทนอยู่ได้ยากลําบากแล้วจิตมันต้องขายออกมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่อยากจมอยู่กับมันไม่อยากเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นมันมันเบื่อหน่าย มันเบื่อหน่ายแบบนี้มันไม่ใช่เบื่อหน่ายว่าพอมาอยู่วัดแล้วโอ้โเกิดมิพิธาขึ้นมาเบื่อนหน่ายเบื่อหน่ายสามีเบื่อหนา่ายลูกเบื่อหน่าย บ, บ้านอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเห็นเห็นด้วยภายใต้กรอบของสมาธิสติจดจอ่จอควบคุมจิตได้จิตก็เลยเห็นขึ้นมา อะไรเกิดมันก็เห็นว่ามันผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วจิตมันก็เลยเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็ลคลายกำหนัดไม่เป็นหลงยึดมั่นถือมัน่นจิตก็เหมือนกับถอยออกมาเป็นอิสระอยากปล่อยอยากวางอยากทิ้งไปลคลายกำหนัดละแต่ก่อนเนี่ยโอ๊ยกำหนัดยินดีเต็มที่ มันมีความสำคัญต่อเราเต็มที่แต่พอเห็นอย่างนี้มันคายออกเลยคายออกเองก็มันเกิดดับเกิดดับอยู่ต่อเวลามันหรือมันเปลี่ยนแปลงให้เห็นหรือเห็นว่าไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยจะให้มันยึดมันยึดไม่ได้หรอกเพราะมันเห็นเฉพาะหน้าอยู่แต่ต้องเห็นจิตเห็นจิตรู้รู้สึกเห็นในความรู้สึกเห็นด้วยจิต มันอยู่เฉพาะหน้าอย่างอย่างืสอว่าเป็นสมาธิปั๊บมันมันสํารวจดูล่างกายอย่างเงี้ยเอา้าตัวจิตจะเป็นผู้ ด, ดูไปไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็อยู่เข้ามันอ่ะเนี่ยรู้สึกขึ้นมาก็ได้ผมก็เบาไปเยอะแล้วนะเ น, นี่ยร่างกายเราแค่อศาศัยอยู่เฉยๆเนี่ยถ้ามีกําลังพอเนะี่ยมันก็เข้าใจมากขึ้นเนี่ยจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่เรื่องร่างกายทั้งนั้นเลยเอี่ผม มันจะงอกมันจะขาวผิวมันจะหย่อนมันจะยานตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นี้เรื่องร่างกายเนื่อจิตมันก็จะเริ่มเบื่อหน่ายร่างกายเส้นตรงนั้นเส้นตรงนี้กระดูกตรงนั้นกระดูกตรงนี้บริเวณท้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผิวหนังทีสีสันี้โลกนั้นโลกนี้ไหลบ้างแขนบ้างมือ เจวก็ปวดนั่งนานก็ไม่ได้ท้องก็อืดมีแก๊สมีลมเป็นโรคกระเพาะลำไส้ปักกสปะสาวะอุจจาระก็ลาบากไม่เหมือนตอนที่อายุยังน้อยๆร่างกายมันแข็งแรงทำอะไรก็แค่ข้งของว่องไวเออพออยยุมากขึ้นเข้าของน้ำก็นานดิปัสสาวะเมื่อค่อยจะออกนั่งรอแช่อยู่ กว่าจะออกได้แต่โอเสียเวลาออกได้กว่าจะหมดเนี่ยคือร่างสภาพร่างกายมันไม่สมบูรณ์ระบบการขับของเสียออกมามันก็เริ่มอ่อนล้าลงไปมันไม่มีกําลังมันก็เลยขับออกไม่ได้เนี่ยพราะถ้พอจิตมันเห็นนะมันมีสมาธิแล้วมันเห็นแบบเนี้ย มันดูมาเนี่ยอั่นี่คือการพิจารณาเมือนพนจาร่างกายก็คือดูกายดูเห็นเกิดความเข้าใจความรู้ความเข้าใจจิบก็เริ่มเบื่อหน่ายคลายกำหนัไม่จะยึดไม่อยากหลงยึดร่างกายว่าเป็นของเราแหละค่อยๆคลายออกแต่ก่อนกาไว้ค่อยๆคลายออกคลายออก ต่คือยึดมากอุปมาเหมือนกำรรไว้แน่นแต่พอเห็นแล้วไ อ, อ้สิ่งที่เรากำรรอยู่นี้มันมีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายมีความส้องกาอะไรเลยไร้าสาระมันก็คายออกคายออกคายออกจริงเรียว่ะนิพพาเบื่อห น, น่ายวิลาคะคายกำเนิด นิพิทาและวีราคะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงค์พระพุทธเจ้าค่าอาณ น, น, นิพิทาและวีรคะมีวิมุติญาณทัศน์ความรู้ความเห็นในวิมุติเป็นผลมีวิมุติญาณทัศน์เป็นอานิสงค์นี่ถ้าหว่ามีมัน ม, ม, มีนิพิทาวีราคะาแล้วมันเบื่อหนไทยคกำนัอแล้วดิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เบาลงไปเบาลงไปสุดท้ายก็ไปถึงความหลุดพ้นคือไม่ยึดมั่นถือมั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นในจิตเป็นอิสระทันทีเลยเพราะมันเห็นหมดแล้วเวทนาโอ้โหอยู่ที่ร่างกายอะ่ะมันบิบคั้นร่างกายจนมีผลตัดจิตใหม่ๆมีผลตัอจิตเลยอะจิตต้องไปจิตต้องไปไปดูพอไปดูแลเราอดทนที่นี่ เราเจ็บเจ็บไปร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บย้ำกับจิตจิตเห็นอย่างนี้มันเห็นชัดเลยมันรู้อ่ะมันถอยถอยมาอยู่กับจิตทั้ทงทั้งที่เจ็บปวดเคยมีแรงดึงดูดจิตไปยึดมั่นถือมั่นทั้งทั้งที่เจ็บปวดอย่างนั้นจิตถอยออกมาได้โอ้โหปัญญายิ่งเห็นชัดเจนเอา้าจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงมันอยู่ที่ร่างกายจริงสักแต่ว่าเวทนาจริง โอ้โหนี่มันหลงมากขนาดนี้เลยเหร อ, อทีนี้จิตมันก็จะเริ่มมีกาลังเพิ่มขึ้นเพราะปัญญาญาติเรียกว่าปัญญาญาณก็ได้อยะถาภูตายานทัศน์จนมันนิพิธาวิราคะแล้วเนี่ยหรือว่าภาวนามาย์ปัญญาก็ใช่แล้ก็ปล่อยวางนีเนียปล่อยวาง้ทเวชนามันแรงขึ้นมาอีกเนา ไอ้กำลังกำลังของจิตเนี่ยหมายถึงว่าความเพียรสติวิริยะอะความเพียรวิริยะสติสมาธิปัญญากำลังไม่ถึงมันเนีเพราะว่ามันมั น, ม, นมันมาแล้วอ่ามันแรงขึ้นอีกแล้วกำลังยังไม่พอปล่อยไม่ได้ไปคู่อีกอดทนไปอีก อดทนไปมีสติมีสมาธิมีปัญญาดูไปมีความเพียรอยู่ในนั้นละ่ะดูไปพราะจิตมีกำลังขึ้นมาอีกมันก็จะหดตัวเข้ามาหาจิตอีกกำลังมันเหนือกว่าเวทนาถอยมาดูใหม่อีกซ้ำไปซ้ำมาบ่อยเข้าบ่อยเข้าได้จังหวะได้โอกาสมันจะเด็ดขาดเพราะมันสะสมกำลังไปเรื่อยๆ อ, อย่างวันนั้นที่ ม, ม, ม, ม, มีผู้ปฏิบัติธรรมมาถามว่า แล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะได้ได้ประโยชน์ไหมถ้าหาว่ายังปล่อยวางเวทนาไม่ได้มีประโยชน์เพราะมันนั่นแหละมันเริ่มสะสมตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเหมือนสะสมความเพียรความพยายามความอดทนความแข็งแกร่งของจิตไม่ใช่นัง่งซุกมันจะได้เลยหรือว่าเหมือนกับคนจะยกของหนักๆอย่างเงี้ยกําลังไม่พอก็ต้องมาออกกําลังกายซะก่อนบารุงร่างกายแข็งแรงออกกําลังกาย รอเวลาให้มันสามารถยกของนั้นได้มันก็จะยกได้กําลังของจิตก็เหมือนกันไม่ถอยตายเป็นตายเด็ดขาดยิ่งจิตมีกําลังมีความเด็ดเดี่ยวมันไม่กลัวถ้าเราไปตั้งความกลัวไว้บางคนกลัวกลัวเจ็บกลัวปวด คิดว่าตัวเองจะสู้ไม่ได้โอ้มันยกธงขาวก่อนแล้วข้าศึกยังไม่มาเลยอะยกธงขาวก่อนแล้วมันใช้ไม่ได้มันต้องเอาต้องได้ลองกันดูสิเอากันก่อนแต่ก่อนนะมีมีเด็กอ่าชั้นประถมด้วยนะเขามาที่นี่มานั่งทวารนาะ เราก็เอาตั้งในกับปลุกใ ห, ให้เขานั่งสมาธิของเขาว่าเอาครั้งแรกเอาสีส้านาทีก่นนอนในกาบปลุกให้หย็ดเขาก็อดทนนะเขาเจ็บเขาสู้ไปสู้มาจนถึง4ี้านาทีล่อยโอ้เขาเจ็บแต่ว่ามันมันมันล่อยได้เขาว่า นี่มันเริ่มฝึกแล้วเนี่ยมันเริ่มฝึกแล้วต่อมาเขาก็มานั่งอีกเขาตั้งนี้นกระปุกไว้อีกแล้วเราก็ไปเที่ยวเดินบ้างนั่งบ้างดีพอถึงเวลาก็มาต่อมาให้เขานั่งเองตั้งนี้กกระปุกไว้ให้แล้วนั่งเองฝึกเขาไปเพราะว่าให้เขาฝึกให้มันมีกรอ บ, บว่ามีเวลาเต็มเป็นสงส่งวัดความทนทานของเขาก็มากขึ้นต่อมามีวันหนึ่ง เขานั่งสู้เวทนาแล้วมันผ่านทีเ น, น้นกับฝึก ด, ดังเขาไม่ยอมลุกสู้ต่อเลยฮะสู้ต่อเองเลยนะเด็กเช่นปฐมเนี่ยแล้วก็แจ้งของเขาเองพูดได้เลยพูดเหมือนผู้ใหญ่พูดว่าเห็นมนไม่ใช่ของเราทูไปตั้งเวลาจาไม่ได้เลยเลยชั่วโมงกว่าไป มันก็ทนได้ถ้ า, าว่าใจเรามันสิ้เราไม่ไปเราไม่ไปอ่อนแอไม่ไปยอมแพ้ไปสักก่อนเหมือนต่อเออเราไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้เราใช้อย่างอื่นก็ได้เอาสบายสบายเ อ, อ้า น, นมันกลัวก่อนแล้วก็ไหนก็ลองดูสิมันจะได้รู้ทำไมคนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องลองดูสิ อันนี้ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าเหมือนกันสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแล้วพระเจ้าก็รับรองด้วยเวทนาชัดเจนที่สุดแล้วไหนว่ามันไม่ใช่ของเรามันเจ็บปวดเจตตาอยู่แล้วแล้วจิตยังจะยึดก็ต้องให้มันเห็นที่ถ้าหาว่าจิตเข้มแข็งมันก็เอาลองคอุณก็ยังทำได้เด็กก็ทำได้ทาไมเราจะทาไม่ได้ ได้5ีนาทีไม่เป็นไรขอให้ได้สู้เราเคยเอาเอาเอาอันนี้ไปใช้กับเด็กบางคนเขากำลังใจไม่มีจะทำอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกมันใจไม่มีกำลังเราก็บอกว่าให้ทำลงไปตั้งใจว่าเอาแค่5นาทีให้ผ่านต่อไปค่อยเพิ่มขึ้นเป็น30นาทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง ถ้าบังคับวกวคู่จิตได้ผ่านมันไปได้แล้วมันก็จะเอาชนะได้เขาหินช่องทางมันดีเลยนยะอันนี้หมายถึว่ามันมั น, ม, น, ม, นมันเหมือนกับมันมีอะไรมาปิดบังถ้าเมื่อเราไม่กล้าสู้ไม่กล้าทดลองไม่กล้าทำเราต้องฝึกเอาชนะมันซะก่อนเพียเล็กีละน้อยไป ทีนี้มันก็จะพอชนะแล้วต้องเอาให้ชนะเรื่อยไปทิ้ลาแล้วก็เอาไม่เป็นไรแล้วก็พัก้าวนามาเนี่ยเคยเคยผ่านมันได้ต้องให้มันผ่านอย่างน้อยก็ได้ผ่านสักครั้งได้เห็นหน้าตามันมการผ่านก็คือการที่จิตมันปล่อยได้ มันวางได้มันมาอยู่กับจิตได้จิตก็ดูอยู่เฉยถ้าลองมารู้จักวิธีปล่อยวางได้นะมันก็ปล่อยวางกายวางเวทนาวางจิตได้เหมือนกันหมดอะการวางของมันเนี่ยมันปล่อยลักษณะเดียวกัน พอนูมันเคยปล่อยได้วางได้มันก็จะเริ่มเข้าใจอ๋อมันต้องปฏิบัติจิตเป็นสมาธิแล้วก็จิตเห็นจิตรู้แล้วจิตปล่อยวางระหว่างนั้นอุบายอะไรก็ตามเป็นอุบายเพื่อให้จิตเข้าไปเห็นความจริงแล้วปล่อยวางตามความเ็นจริงด้วยตัจิตเอง เพราะนั้นถ้าใครพูดถึงการปฏิบัติมันก็จะต้องไฟตามแนวเดียวกันหมดเพราะว่าเป็นวิธีของพูตธเจ้าเหมือนกันจะดำเนินมาอย่างไงก็ตามแต่พอจะมาที่จุดสำคัญปับ๊บมันจะต้องมาที่จิตเห็นกายเวทนาจิตธรมหรือเห็นขันห้า ว่ามันไม่ใช่ของเราว่ามันเกิดขึ้นตั้งยู่ตักไปมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันวางวางก็คือมันมันเห็นความจริงแล้วมันก็เลยเบื่อหน่ายคลายกำหนับแต่เราเรียกว่ามันวางเหตุที่วางก็คือมันเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนับมันก็เลยปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วจิตก็มันก็จะไปดีสระขึ้นมา ทีนี้ถ้าหาว่าเรามาดูการปฏิบัติของเราเราก็สามารถเอาคําสอนของพระพุทธเจา้ามาเป็นเครื่องวัดว่าถ้าหาว่าสติของเราเนี่ยมันคุมจิตถ้าจิตมันก็ไปเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่บางเรื่องก็เราก็เพลินไปกับมันอย่างนี้แสดงว่าสติเราอ่อนคุมจิตไม่อยู่จิตเร็วกว่าสติจิตมันยังไปได้มากกว่า มากกว่าอยู่ทีนี้ถ้าหาว่าเราเพียนต่อสํารวมระวังอะไรประมวลเข้ามาเลยทํำยังไงทําอะไรอยู่ก็ตามเป็นไปเพื่อการมีสติสัมปชัญญะเพื่อการระแวดระวังจิตแล้วการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตก็มีแต่ความถูกต้องดีงามมันก็จะเสริมทําให้จิตเนี่ยมันมีความสบายอย่างที่ว่านี้ สบายแล้วก็สติควบผูมจิตง่ายเลยทีนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกชำนาญแล้วนี่ปับดูจิตได้เลยไม่ต้องมากำหนดไม่ต้องมาดูอย่างอื่นหรอกัขอหาจิตบางคนก็เอาดูกายดูคันห้าอันนี้หมายความว่ามันมันยังเริ่ม เป็นดูลมดูลมก็ดูกายดูลมไปดูลมไปจิต ก, ก็เริ่มถอยออกมาจากลมติดอยู่กับลมก่อนตอนน่อมาก็ถอยออกมาจากลมไม่ต้องพึ่งลมก็ได้แต่ในนี้ก็เล้ออะไรเด่นขึ้นมาก็มองดูได้สิเนี่ยก็แสดงว่ามันผ่านสมาธิขั้นต้นมาแล้วมีสติขั้นต้นมาแล้วก็มาสู่สติปัญสีเนี่ย หรือบริกรรมบริกรรมไปอ้าวถ้าจิตมันเคยคิดบางทีมันก็เผลอคิดไปอ้าวชืว่รู้ตัวอ้าวสร้งใหม่อ้าวนี่รู้ตัวดึงกลับมาเลยนี่ก็รู้เร็วขึ้นแล้วอันนี้ก็คือยังดึงไปดึงมาอยู่ก็เป็นสติเบื้องต้นกรร ม, มาฐานเบื้องต้นต่อมาจิตมีกําลังขึ้นมาสติมีกําลังขึ้นมามันไม่ต้องบริกรรมแล้วมันก็อยู่เฉยๆดูอยู่นิเฉยเนี่ยพรอยออกมาจะทา บ, บริกรรม จากนั้นอะไรเกิดขึ้นก็เริ่มเริ่มรับรู้เลยทีนี้นีเรียกว่าอะไรเด่นขึ้มนมาก็ดูแล้วเป็นสติฐานสี่แล้วหรือจิตนิ่งเฉยไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องเอามาดูกายนี่ยมันหยาบมันเป็นส่วนที่หยาบในตัวคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอากายเนี่ยเป็นฐานของสติสก่อนได้ แล้วก็มันเป็นฐานของสติที่มันมั่นคงมั น, ม, นมันมีน้ำหนักมันหนักแน่นแต่ถ้าประเภทที่เคยเคยเจริญวิปัสนามาในอดีตไม่อยากเลยนะอะไรเด่นที่มาดูได้เลยแล้วก็เป็นสัมมาส ม, มาธิไปไปไปเลยแล้วพอจิตมีกำลังขึ้นมาก็ เห็นแจ้งชัดตามความปีนงไปนี่ๆเลยแต่คนที่เคยเจริญสมถะา ม, มามากนี่ปรสนาน้อยมันก็เลยต้องพักก่อนไปนิ่งอยู่นานบางคนนิ่งอยู่นานแต่ก็ต้องพยายามสังเกตเวลาจิตมันถอยมาแล้วก็หัดที่นาขนาันห้าหามาดูกายเวชนาจิตรม หรือมาดูกันนะ้าให้จิต ด, ดูถึแล้วจิตจะคายออกอแล้วก็มามาตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วคราวนี้มีกำลังแล้วทีนี้มีกำลังแล้วดูไปเห็นความเกิดดับผู้ไม่ใช่ของเรา นี่ น, นี่เป็นยถาภูตะยามทัศนะหรือเป็นปัญญาญาหรือเป็นภาวนามยปัญญาหรือเป็นวิปัสนาญาหรือโลกุตละสมาทิตฐิเป็นความเห็นชอบแนวโลกุตละถ้าปราราิเลได้เมื่อไหร่เป็นโลกุตละสมาทิติเนี่ยความเห็นชอบ ที่เป็นโลกุตตะลาแล้วคือเห็นกายเวทนาจิตทรรมไม่ใช่ของเราเห็นขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วสามารถประหารกิเลได้ถ้าประหารกิเลได้จิตก็ต้องเปลี่ยนด้วยจิตที่เคยหนักก็จะเบาลงเคยยึดอะไรก็เบาวางลงไม่ยึดมากอารมภายในจิตเนี่ยเกิดเร็วดับเร็วขึ้น กระทบอารมณ์ก็แต่ก่อนเคยรุนแรงมีผลบางอย่างม่ีผลต่อจิตกระทบก็เฉยคนอื่นบางคนเห็นเป็นเรื่องสําคัญวุ่นวายแต่ว่าคนที่มีมีมักมีผลเนี่ยมันเหมือนกับไม่สําคัญอะไรอะเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ในส่วนที่ยังละไม่ได้มันก็ยังมีน้ําหนักอยู่เช่นพวกโลภะ ต้องการกถูกลดขีดเสียงสัมผัสอะไรอย่างเนี้ยมาเพื่อทําให้ตัวมีความสุขมันก็ยังอยู่เพราะเพียงละไม่ได้ความโลภมันก็เลยยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่ความหลงก็มีอยู่แต่ลดลงไปนะแล้วถ้าเที่ยวกับผู้ที่ชนเนี่ยมันก็จะมีผลที่เกิดขึ้นคือมันเห็นแนะ้ที่เคยหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจริงมันไม่ใช่มันเพียงแคความหลงของเรา เห็นคือเห็นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยแหละนี่หลับตัววิ ช, ชาวิ ช, ชาเนี่ยหมายว่ามันเห็นว่าไม่ใช่ของเราเห็นตรงนี้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็ประหารกิเลสได้แต่ในที่นี้ประสูตรนี้คําว่าวิ ช, ชาและวมิมุตต์เนี่ยหมายถึงหลุดพ้นเลยเป็นพ่อหลานเลยเกิดวิ ช, ชาขึ้นมาเห็นแจ้งชัดเลยพูดถึงขั้นหลุดพ้นเลยอันนี้แต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ปฏิบัติไปตามลดาดับ มังทีก็เอาพอเห็นแจ้ง <c oughs> เห็นชัดแล้วก็บรรุกษสดาบันบุคคนปัญญาที่มันเห็นชัดเจนตั้งอยู่บางคนก็นานบางคนก็ไม่นานพอปัญญาอันนี้หมดกำลังญาณ น, นี้หมดกำลังมันก็จะตึ๊บเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเบาอยู่ในจิตละรู้รู้ว่าเออรู้สึกมาตรฐานของจิตมันเปลี่ยนแปลงปัป ก็ต้องมาทำความเพียรต่อมาดูขนาดอย่างนี้แล้วเดินจมกลมนั่งภาวนาะแต่ว่าอยู่ในจิตมากขึ้นทางานในจิตได้เองมากขึ้นแล้วใจจะไม่ถอยมีใจจะสู้ต้องออกให้ได้เท่านั้นสำหรับคนที่ที่มีสีแก่กล้า แตสวัสดบาลนี่มันก็มีตั้งสามระดับระดับหนึ่งก็ไม่เกินเจ็ดชาติลองลงมาก็ไม่เกินสามชาติหรือสองชาติถ้ยศรีแก่กล้าจริงๆมีปัญญามากก็ชาติเดียวอย่างนางวิสาขาเนี่ยเอาสบายๆเลยนะ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอมีความสุขเรื่อยไปอุปถาอุปธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระองค์มีมีมีความปรารถนาอย่างนั้นแล้วก็อายุไขก็เต็มเต็มที่ของความเป็นมนุษย์พออายุก็ยืนยาวเต็มที่แล้วก็ไปเกิดสวรรค์ก็เต็มที่ในสวรรค์ ทุกชั้นทุกชั้นจนกว่าบรรลุธรรมบนสวรรค์ไม่ลงมาอีกเขาก็ต้องความปรารถนาอย่างนี้ในชาติปัจจุบันก็ไม่เอาผลทุกเขาว่าเออพอบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็มา ท, ทนะําหน้าที่เป็นอุบาสิกาเป็นมหาอุบาสิกาบํารุงพระพุทธเจ้าดูแลพระพุทธเจ้าบํารุง พรสงองค์เด่นพิสูุพิสูนีหนุ่มช่วยพระศาสนาแต่จิตใจมันไม่มีทางที่จะหนีไปทางไหนมีอยู่อย่างเดียวมีทุกมาก็ต้องหันมาแก้ฤฤฤฤที่จิตบางทีก็ร้องห่มร้องไห้นะัน่งนิศสาขาหลานลูกตายหลานตายร้องไห้ผมเผ่้ กระแต่หาพุทธเจ้าเจ้ากระถามว่าดูก่อนมีสาขาได้ยินว่าเธอเนี่ยมีความสุขเวลามีลูกมากๆใช่ไหมพระเจ้าข้าถ้าว่าจะให้ทั้งเมืองสาวาถีเป็นลูกของเธอพระเจ้าเอาไหมเอาพระเจ้าข้าเนี้พซี่เนีชอบมากมีลูกเยอะๆแล้วถ้าเกิดลูกคนที่หนึ่งตายอย่างเงี้ย เคยจะทุกไหมทุกพระเจ้าข้านี่นคนที่สองตายอา่ะทุกพระเจ้าข้าเพราะมันมีหลักฐานอยู่แล้วเนี่ยตัว เ, เป็นทุกเพราลูกตายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เอาแล้วพระเจ้าข้านี่นนขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังมีความอยากความต้องการมันไม่ใช่จะเป็นทำรอยเปอร์เซ็นแต่ว่าละความเห็นผิดได้ ราสักยะทิฏฐิเห็นว่ากายเป็นเราเป็นของเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราจิตเป็นเราเป็นของเราทำเป็นเราของเราเห็นขันห้าเป็นของเราแต่ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะมีลได้ทั้งหมดคือไม่หลงผิดละเห็นว่าไม่ใช่ของเราแต่ว่ายังมีความโลภตัวตนที่เกิดจากความโลภก็มีตัวตนที่เกิดจากพวกมานะก็มี ตัวตนที่เกิดจากความเห็นเชื่อความเห็นงตัวเองก็นีเช่นเดียวก็เป็นตัว ต, วตวนที่เกิดจากเนี่ยความโลภตัวตวนนี้เกิดจากมา น, นะแต่ความเห็นผิดบก ท่าจริงของเราอ่ะหยาบหยาบอะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกหนมากเพราะตัวตนมันลดลงไปทีนี้ผู้เจ้าก็ย้ําอาบนศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสานเป็นผลมีอวิปปิสานเป็นอานิสงส์อวิปปิสานมีปลาโมดเป็นผลมี ป, มปลาโมดเป็นอานิสงส์ ราโมดมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอนิสงส์ปีติมีปัสสติเป็นผลมีปัสสติเป็นอนิสงส์ปัสสติมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิมียถาภูตะยานทัศนะเป็นผลมียถาภูตะยานทัศนะเป็นอนิสงส์ ยถาภาูตะยานัสนะมีมิพิธาและวิราฆะเป็นผลมีมิพิธาและวิราฆะเป็นอนิสงมิพิธาและวิราฆะมีวิมุติยานัสนะเป็นผลมีวิมุติยานัสนะเป็นอนิสงอย่างนี้อานน์ศีลที่เป็นกุศลย่อมทำอารหัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับอย่างนี้แลเนี่ยแสดงว่าศีลหรือการทำความดีหรือกุศลศีลทั้งหลายเนี่ย สามารถทำให้เป็นพื้นฐานทำให้เราบรรลุเป็นพ่อหลานได้แต่ก็ตามลำดับตามลาดับอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดตอบคำถามพระอ น, นุนี้ที่พระเจ้าก็รับรองเพราะฉะนั้นเราเริ่มชีวิตเนี่ยอย่างเราทาความดีโดยเฉพาะได้ช่วยพระศาสนาด้านใดก็ตามล่ะช่วยดูแลวัดช่วยกันทำอาหารการกินช่วยกัน ตอนรับขับสู้ดูแลผู้ที่มาเกี่ยวข้องช่วยเหลือเกื้อกูลแนะนำถ้าได้ตามความสมควรตามความเหมาะสมหรือว่าทำให้ใการปฏิบัติธรรมมันราบลื่นปฏิบัติได้สะดวกทั้งนั้นเนี่ยมันนำไปสู่สุดท้ายสามารถบรรลุ เป็นพ่อหลานได้แต่ต้องไปตามลําดับด้วยไม่ใช่ปุ๊บโดยอํานาจของศีลมีทําให้บรรลุพ่อหลานไม่ใช่มันต้องมีลําดับของมันหรักุศลศีลทาให้เกิดอวิปปติสานเป็นผลไม่ร้อนใจพอทําทความดีแล้วจะไปร้อนใจได้ยังไงอ่ะมันก็สุขมิสบายหนิอวิปปติสานทําให้เกิดตามโหมดเบิกบานบันเทิงเบิกบานเกิดตามโหมดแล้วก็ทําให้อินใจ ยิมเอิบขึ้นมาในจิตใจเนี่ยโดยปีติปีติก็ทำให้เกิดปสัสสติสงบงา่ายปัสสติคือความสงบของใจไม่มีอะไรปรุงแต่งกิวามสงบก็เป็นปสัสสติก็มีทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นานิสงเป็นสมาธิมีความแน่วแน่มีความเป็นหนึ่งมีความแน่วแน่ขึ้นมา ถึงข้าว่าเทวมาที่มีกำลังเป็นสมาธิแล้วคราวนี้มียะถาภูตยายันมัศนะเป็นผลเป็นอานิสงมาเห็นสภาพตามตามความเป็นจริงแล้วทีนี้มองอะไรผ่านมาก็เกิดดับอันนี้ก็ไม่ใช่ของเรามันอยู่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันก็วางไปยะถาภูตยายันสนะก็มีนิพิธามิราคเป็นผลเป็นานิสง นิพพทาวิรากะมื่อมันปล่อยวางไปเรื่อยๆแล้วก็มีนิพพทาวิรากะมีวิชาและวิมุติเป็นผลเป็นอันอสุดท้ายบรรลุเป็นพลานได้แต่ไม่ใช่ทําครั้งสองครั้งวันเดียวแต่ว่าตามลําดับอย่างนี้แล้วผลมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปถ้าว่าเราทําตามนี้ก็แสดงว่า ตรงกับคำสอนของมุติยาทุปกประการทีนี้บางครั้งอะ่ะความเพียรเรามันไม่ถึงนะความพยายามเราไม่พอการกระทำเรายังไม่พอเนี่ยไอเราก็ไปข่อยคว้าอยากให้ได้เกิดมิพิทาวิลาค่เกิดวิชาวิมุตเกิดมากเกิดผ ล, ลก็เหตุมันยังไม่พอเราต้องรู้สิว่าโอ้เหตุมันยังไม่พอเรายังความเพียรเรายังไม่พอเนะ สติเราสัำปะชินยาเราก็ยังไม่ต่อเ น, นื่องเราก็ต้องมามาทําในสิ่งที่เรายังไม่พอแต่ว่าสีลเราทำแล้วบุญนี่ทํามากมายแล้วล่ะบนจากที่นู่นที่นี่ใครใครชวนไปทาไหนไปไปไปไปแต่ไอ้ส่วนที่มันมันบกพ่องเนี่ยมันไม่พอเราไม่ไปทําเพิ่มอะ่ะมันก็ไม่ถึงอรหัตผลเพราะมันไม่ไปตามลําดับอะ่ะเพราะนะ่นมีคนมาถามว่าครับ ว่านี่ ส, สร้างบทเนี่ยสองหลังคนนี้ทำมานั้นทำมานั้นทำมานั้น น, น, นะนะแล้วก็คนหนึ่งบริจาคเป็นแสนเป็นล้านนะบางทีขอาโฆษณากันนะบอกเอ้าแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นเดียวใชไปเกิดสวรรค์เดี๋ยวก็กลับลงมาหมดบุญกลับลงมาเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่างเงี้ยสิ่ก็เหมือนกันเอาทำดีรักษาศีลเนี่ยผลมันก็ได้ไปสวรรค์นะ ไปสวรรค์แล้วมันก็ต้องกลับมาเพราะว่านี่มันไม่พอแต่ถ้าหาว่าเออเอาเราเราเรารู้แล้วมาเออเรา เ, ราเรานี้ยบุญเราพอแล้วมีมีรู้สึกมันทําให้เราเบิกบานในจิตในใจแล้วก็มาทําต่อสติของเราควบคุมจิตเรื่อยไปจนมันเป็นสมาธิตั้งมัน่นรู้เห็นความจริงเออทางอย่างเนี้ยมันไปสู่วิชาเลยมุด เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าไม่ปฏิบัติมันไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันมนี้ก็มีคนถามอยู่ว่าทมอย่างเดียวเนี่ยถึงนิพพานได้มเนี่ยถ้าตามะสูรนี้มันไม่ได้เพราะมันไม่เจริญไปตามลำดับถ า, าว่าใครอยาก บรรลุมาผลนิพานก็ต้องทําไปทําลแบบแต่ก็ก็ต้องมีทานบ้างสีนบ้างอย่างเนี้ยคือคือเราแยกออกมาแต่ในนี้พระสูตรนี้หมายว่าเป็นกุศลสินเดียว่ากุศลสินเนี่ยหมายถึงรวมทานเข้าไปด้วยรวมความดีทั้งหลายด้วยเป็นฝ่ายกุศลเ่าพอนั้นต่อไปนี้ก็ให้ภาวนาทังระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะหยุดแล้วนะ พอแต่อธิบายมาพอสมควรแล้วเตรียมตัวนะเตียมตัวแล้วเราจะดูแล้วเจะดแลก็ลองปล่อยปล่ยนะอยแล้ ว, ลล ว, ลลวลก็ดูเฉยๆดูว่า ป่อยให้ทุกสิ่งที่อย่างมันเกิดไปตามธรรมชาติลงมาแต่มันจะมารู้ตัวรู้อยู่ดีวรู้ทุกสิง ของพระองค์เป็น mm hmm. กำลังสติปัญญาความสามารถของเราและขอให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นเครื่องสังละบูชาแด่พระองค์แ mm hmm. ด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอมอบ ก, กายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและพระสงฆ์ ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มาเป็นที่ตั้งที่ระลึกตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอา้ัยสัจธรรมเป็นพ้นจากทุกในวัฏสงสารโดยเถิดและก็ตั้งใจอุทิกบุญขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งใจดีจนถึงปัจจิบัน ให้เกียรากิเกวดานทรักษาและนายหญิงองข้าพเจ้าให้เกียรากเกิดด้านท่าและนายหญงของพ่อของแม่สามีบรญยาลูกหลานพี่น้องภูมีและคุณของข้าพเจ้าให้กระดวงยาณทั้งหลายที่ชินสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้โดยงวิญญาณทั้งหลายที่ชินสถิตอยู่ในบ้านในเรียนในที่ทํางานร้านค้าในบริษัทในโรงงานไรนาสวนที่ดินในสมบัติสถานของข้าพเจ้า ให้แสดงยัทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจะกขาพระาอยู่ในขณะนี้ทุกจั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายสึ่งยินดีรับอาวุต้องข้าพระเจ้าด้ยเถิดเมื่อรับอาวุณและต้องการสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาแต่อำนาจแงบุญที่ข้าพระเจ้าได้ที่แท่แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้มาปกปกักรักษาคุ้มครองดูแลเส่อเลือกชนุษ ข้าพเจ้าทำสิ่งใด ม, ม็มีแต่ความนากลัมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญรม่เดีอยงห้านี้วเปินไปไม่เด็ข้าพเจ้าจะมันททำบุญและพอจรินจริงไให้เรื่อยๆทาความรู้สึกว่าเราเต็มใจให้บุญนะมุ่งบุญออกไปจากใจเราเราอยาเพิ่มเติมให้ใจเราย้ำเลยนะอย่ากช่วยอะไรก็บอกไปแต่วันนี้พอเทนนะ่านี้